ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รุ่มปพธิยานในวันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องการปฏิบัติพระองค์ของพระพุทธเจ้าที่พระสั่งเล่าไว้ในที่ต่างๆก็เป็นปริยายเทศนาคือในยะนั้นๆแต่ทั้งหมดมันก็ไปเชื่อมโยงอยู่กับ พระโพธิญาณดังนั้นคือบัณก่อนได้พูดถึงที่รับสั่งเล่าให้พระนุรุตฟังถึงการบําเพ็ญเพียรของพระองค์ในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ศัต ร, รู้คือบางทีก็เห็นแสงบางทีก็เห็นรูปบางทีก็ไม่เห็นทั้งสองอย่างบางทีก็เห็นทั้งสองอย่างก็มีการตรวจสอบดูพระไถ่ของพระองค์ แล้วในที่สุดก็ทรงเจอสิ่งที่ทรงใช้คำว่ า, าอุปกิเลสคือสิ่งที่เข้าไปทำให้จิตมันเกิดความขุดมัวเร้าหมองอุปกิเลสเหล่านั้นจะมีการจำแนกออกไปพิสดารบ้างไม่พิสดารบ้างก็ได้แต่แต่สุดแล้วก็คืออาการของโรคปวดหลงนั่นเองเยงแต่พูดระดับกิ่งก้านสาขาที่แตกออกไปถ้าพูดถึงความรุนแรงจริงๆ มันอยู่ภายในจิตควาหมายความว่าอยู่ระดับมโนทุจริตคือไม่ถึงดีไม่ถึงมโนทุจริตดีเพราะว่ามโนทุจริตนั้นจะต้องออกมาในรูปของถึงอภิชาคือเป้งเลงโลภอยากได้ของของบุคคลอื่นแล้วก็อาฆาตพยาบาทปองไรบุคคลอื่นคือจิตมันวิ่งออกไปข้างนอก แล้วก็มีความเห็ดผิดจากทํานองครองธรรมแต่จะส่งแสดงนั้นส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องความรู้สึกภายในที่มันหนักไปบ้างเบาไปบ้างพอในที่สุดก็ส่งกําหนดรู้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยเป็นอุปกิเลสคือประเด็นสําคัญในการครองชีวิตของคนเนี่ยคือทําอย่า ง, งไรว่าแยกผิดแยกถูกได้ อย่างสำนวนที่โบราณแล้นชอบใช้ในการเยผยแพ่ธรรมะเขาเรียกว่ารูปบาบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ดีชั่วเสื่อมเจริญสุขทุกข์กุศลนะกุศลนรกสวรรค์อะไรแต่ไหนก็แล้วแต่จะพูดกุศมากท่านจะพูดเป็นคู่ให้เห็นคือถ้าเราชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่กระบวนกาเริ่มมาจากกุศลนะกุศลนั่นเอง อาจจะเรียกว่าเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ดีชั่วเสื่อมเจริญสุขทุกข์ก็แล้วแต่แต่ถ้าเราสาวถึงที่มาแล้วเนี่ยมันก็คือมาจากกุศลกับมากุศลกุศลนั้นจะต้องมองให้เห็นคุณค่าแม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องเห็นคุณค่าอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าบุคคลไม่ควรดูห ม, มิน่นว่าบุญมีประมาณน้อยแล้วจะไม่ให้ผล มันเหมือนกระยาดฝนที่ตกลงมาทีละหยาดทีละหยาดสามารถจะทําภาชนะซึ่งรองรับให้เต็มได้ชั้นใดบุคคลที่มีใจพอใจยินดีในบุญกระทาบุญไปบ่อยแล้วในที่สุดกิต ใ, ใจก็จะเต็มด้วยบุญพอถึงบาปก็ต้องมองเห็นโทษชัดเจนพอมองเห็นโทษชัดเจนบาปมันก็เหมือนกับอสรพิษมันก็เหมือนกับยาพิษเหมือนก็เหมือนกับไฟในกรณีที่ลุกไหม้นะ แม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นอันตรายได้ก็เป็นผู้รังเกียจบาปขยกักขย้งต่อบาปไม่ปรารถนาที่จะทําบาปอย่างที่ทรงสอนไว้ว่าถ้าบุคคลจะทําบาปไม่ควรทําบาปนั้นบ่อยๆไม่ควรปลุกฝังความพอใจในบาปนั้นเพราะว่าสะสมบุญหรบบือสะสมบาปเอาไว้ก็นําความทุกข์มาให้รวมกันในที่สุดก็ทรงมองชัดเจน โดยแยกแยะเนี่ยในส่วนที่เป็นโทษก็เป็นโทษที่ชัดเจนชัดเจนจนขนาดว่าจะต้องขจัดเราลองสังเกตว่าที่เรามีปัญหาบางทีเช่นปัญหาเรื่องอบายมุก ป, ปัญหาเรื่องสิ่งเสพติดทั้งหลายเนี่ยคนเหล่านั้นที่จริงเขารู้ว่ามีโทษถามนั้งเงลงดื่มสุราถึงโทษสุราเขาก็อธิบายได้ผู้ที่เสพยาเสพติดถามให้เขาอธิบายโทษเนี่ยเขาก็อธิบายได้ พวกเที่ยวกลางคืนพื่ตื่นการดันเล่นพวกเล่นการพ น, นันพบผู้สัมสรรษทางเพศเนี่ยอธิบายโทษได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าไม่มีพลังทางจิตมากพอที่จะสลัดตัวเองให้หลุดพ้นจากการเกี่ยวเกาะกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เราลองดูให้ดีแล้วสิ่งเหล่านั้นเขาอยู่อย่างที่เขาอยู่เราวิ่งมันไปหาทั้งนั้นนะจะยังนึกถึงสำนวนไทยที่ท่านใช้ใช้คําว่า หมูวิ่งกระนปังตอ่อคือปันตอมันก็อยู่ของมันเนี่ยเราก็วิ่งเข้าไปชนมันเองดังนั้นถ้าโทษมันไม่ชัดเจนแล้วเนี่ยจะเลิกยากยังปัญหาในบ้านในเมืองเราถ้าเรามองถึงว่าเราอ่านหนังสือเมื่อห้าหกสิบปีที่แล้วนะเราก็อ่านหนังสือบันทึกของบาทหลวงสมัยสมเด็จพระนารายณ์นั่น ล้วก็อ่านไปโน้นเลยยุคของโบราณยุคลานนายุคลานนาเนีนะ่ฮะเราะจะเห็นว่าข้อความมันเหมือนกันมันเปลี่ยนแปลงเฉพาะตัวคนแต่ไม่เปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมแล้วสาวๆถึงไป ท, ที่ไปที่มามันก็มาจากความดีความชั่วมาจากความคิดที่เป็นกุศลอกุศลซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละขณะ แล้วออกมาเป็นรูปของพฤติกรรมต่างๆก็ซ้ําๆซักๆดังนั้นเวลาเราพูดถึงธรรมะเนี่ยมันจะไม่มีอะไรที่ไม่ซ้ําเนี่ยจะซ้ําอย่างไรอย่างนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังว่าเหมือนกับขนมไทยนะฮะตั้งแต่สมัยสุโูรณ์ไทยไปต้นมาแล้วก่อนหน้านั้นด้วยมันมีความหลากหลายยังไงก็ตามแต่ว่ามันมีตัวหลักอยู่ก็คือข้าวเหนียวคือกะทิคือความหวาน หวานจากอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าหวานนั้นก็คือเป็นสูตรที่ก็อยู่ก็อย่างนั้นเพรทั้งกุศลอกุศลมันมั น, ม, นมันก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือหมายความว่ามันมีจุดเริ่มต้นของเขาแต่โดยชัดเจนว่ามันเป็นคุณเป็นโทษแล้วเนี่ยสละศู่วนที่เป็นโทษมาดำเนินในส่วนที่เป็นคุณความปลอดภัยต่างๆมันจะเกิดขึ้น แล้ที่จริงสิ่งเหล่านี้ที่จริงเราก็ใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันสมมติว่านะฮะสมมติว่าอาหารเต็มโต๊ะเลยมันมีอาหารบางอย่างมันไม่ถูกกระท้องไส้ของเราเราเคยโดนมันหลายครั้งแล้วเห็นโทษมันหลายครั้งแล้ววันนั้นเราไม่ฉันไม่รับประทานก็จบมันไม่ได้วิ่งเข้าไปอยู่ในท้องเราหรอกเพราะในจงตรงนี้ยที่จริงมันเป็นหลัก พระเจ้าก็ทรงทำพระองค์เป็นแบบเมื่ออุปกิเลสคือความคิดไม่ดีข้อใดมันเกิดขึ้นเนี่ยก็ทรงมานสิการถึงธรรมที่ทรงกันข้ามเเช่นอะไรเช่นสมมุติว่าความเครือมเคลิ้มมุ่งนอนมันเกิดขึ้นพวกนี้ก็ต้องใช้ความเพียรนนหนักขึ้นจะเนเดินจงกลมหนักขึ้น หรือว่าภาวนาสูงขึ้นหรือเพ่งให้สูงขึ้นอาการเหล่านี้ก็จะสนุกตัวหมายความมาถ้าซ้ายเป็นมีปัญหาก็หลบไปทางขวาก็ท่านนั่นเองซ้ายมันจะทำอะไรไม่ได้หรือว่าอาการของความเรุ่หวหดเสียวเกิดขึ้นก็ทรมานตัวเองอย่างที่บอกดูสิมันกลัวอะไรมันมีอะไรที่ต้องไปกลัว ยืนจนหายกลัวนั่นแหละแล้วก็ดูมันว่า ม, มันมีอะไรความโกลนมาจากข้างนอกหรือว่ามาจากข้างในมันอยู่จากข้างในเขาเรียกว่ามีท่าแต่แงความเป็นคนขาดแล้วแม้แต่เรื่องอะไรละ่ะผีสางนางไม้อะไรต่างๆที่เราว่ากลัวกันคือเขาก็คือเพื่อนร่วมโลกร่ว ม, วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันกับเรานั่นเอง ก็ไม่จาเป็นเนี่ยต้องไปกลัวอะไรเขาเราปรากฏก็แผ่เมตตาที่ส่วนกุศลไปให้เขาบางกัลยาณ์นาจิตต่อเขาคือมันมีทางออกให้เด็กกันทั้งนั้นเพราะว่าเมื่อมันพวกนี้มันเป็นอกุศลก็แสดงว่าอีกด้านด้านหนึ่งเนี่ยก็เป็นกุศล เ, เช่นสมมติว่าจิตเราไปเหนียวนึกตึกนึกในทางเพศมาก แล้วเราจิตไปเกาะให้นิ่งอยู่กับอะไรสักอย่างเนี่ยนั่งเพ่งดูก็ได้นั่งเพราะวาน้าก็ได้ท่องหนังสือก็ได้ะอะไรแต่ใดก็ได้อ่านหนังสือก็ได้มันจะลด่ะเพราะว่าจิตเนี่ยมันจะทํางานอย่างเดียวในขนาดเดียวเพียงแต่มันทําได้เร็วเพราะในการต่อต้านอารมณ์เหล่านี้ก็ต้องฝึกมาเป็นพิเศษหรือว่าความเพียรที่มากจนเกินไปมันก็มองเห็นโทษมองเห็นโทษแล้วมองเห็นคุณของความเพียรที่อยู่ตรงกลาง ก็คือสัมมาวายามะก็อยู่ในอริมักมีองค์แปดประการนั้นที่ทราบกันทีนี้คุณธรรมที่สำคัญเนี่ยที่จะเป็นหลักในการประคับประคององค์ธรรมเหล่านั้นให้อยู่ได้นะก็คือสติสัมจัยดัความเพียรแต่ว่าที่ทรงใช้ภาษานะฮะคือมันต่างกันในด้านภาษาเรานั้น เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตรงมีตนส่งไปแล้วแลอยู่ความไม่ประมาทเนี่ยก็คือสติหมายความว่าเมื่อยู่ยังมีสติสติระ ล, ลึกได้ระ ล, ลึกทันแล้วก็นึกได้นึกออกก็รู้นึกได้สติจึงเป็นธรรมชาติที่แผ่ไปหรือซ่านไปในที่ทั้งปวงคล้ายๆกระแสความร้อนคลื่นความร้อนคลื่นความหนาวคลื่นความเย็นหรือจะได้ มันจะแผ่ครอบคลุมไปในสถานที่ต่างๆแล้วก็ในขณะที่เราทำมันก็ระลึกทันในแต่ละขณะที่ทรงอุปมาเห็นว่าเหมือนกับเราประคองภาชนะที่เต็มด้วยน้ำมันหรือน้ำก็ได้นะฮะ เ, เดี๋ยวทรงอุปมาเมื่อประคองบาตรระพูดกับพระพระก็มีบาตรอยู่ก็เอาน้ำใส่ให้เต็มแล้วประคองดู เดินถือน้ำบาต ท, ที่เต็มด้วยน้ำไปดูก็จะเห็นว่าพลังสติต้องมากแล้วเมื่อฝึกปรือก็ทำได้อย่างต่อนเนื่องเนี่ยมันก็จะมีความละเอียดประณีตมากกิ่งขึ้นเพราะวาพวกกีฬาทั้งหลายเนี่ยลองสังเกตว่าขาดสติไปนิดเดียวก็เสร็จแล้วประการต่อไปคือนึกนึกนึกทันหลังจากได้ทำไปแล้วเนี่ย ก็นึกทันนึกออกว่าได้ทําอย่างนั้นไปแล้วได้พูดอย่างนั้นไปแล้วได้คิดอย่างนั้นไปแล้วก็เป็นสติที่จะต้องใช้ในที่ทั้งปวงหรือจะเห็นว่าข้อความเนี่ยจะมีความสอดคล้องกันเช่นว่าบัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทในบุญญากิจยาทั้งหลายทีนี้พอพูดถึงสติสติจําต้องใช้ในที่ทั้งปวงก็คือกัน หมายความมีสติก็คือไม่ประมาทการไม่ประมาทก็คืออยู่ยังมีสติหลักการสําคัญในความไม่ประมาทระดับละเอียดนะระดับละเอียดเนี่ ย, ย, ยคือเป็นการระวังจิตอย่าให้กําหนักอย่าให้เหนียวนึกสุกนึ ก, นกถึงสิ่งที่กระตุน้นกามราคะหรือโลภเกินมาระวังจิตอย่าให้ขัดขืน คือพวกนี้อาจจะมีเมตตาเป็นตัวหลักหรือมีขันติเป็นตัวหลักหรืออาจจะมีปัญญาก็แล้วแต่ใหเราสังเกตว่าสมมติว่าคนทำให้เราโกโรธแล้วเราไม่โกรธเนี่ยอาจจะเพราะเราไม่ตาเขาอาจจะเพราะเราสงสารเขาอาจจะเพราะเรามีเหตุผลที่จะไม่โกรธ เป็นเด็กบ้างเป็นคนแก่บ้างเป็นคนเมาบ้างเป็นคนบ้าบ้างไม่ถือสาความแม้แต่คนระดับเดียวกันเนี่ยเรื่องอะไรจะไปทําชั่วร่วมกับเขาอย่างที่พราหมณ์ภารัตวราชาพราหมมาดาพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้ารับสั่งว่าพราหมณ์เวลาแขกมาที่บ้านเนี่ยพรามณ์ก็มีของไปตอนรับแขก แล้วถ้าแขกเขาไม่ไม่รับประทานสิ่งเหล่านั้น่ะของเหล่านั้นจะเป็นของใครพราหม์ก็บอกว่าก็กลับเป็นของแกเหมือนเดิมเจ้ารับสั่งว่าก็เหมือนกันนะ่ะทั้งหมดที่คุณพูดมานี่นะที่คุณด่ามาทั้งหมดเนี่ยตถาคตไม่บริโภคร่วมด้วยแหะคือพูดง่ายไม่รับอ่ะพราหมณ์ก็ทึ่งอัศจรรย์เนียคนถูกด่าอย่างแรงไม่โกรธเนี่ยอัศจรรย์มาก เรายอมรับนักตือฝั่งเทศออกบวชบรรลุมรรคผลเลยแส้งว่าการมองอย่างนี้มันคือถ้าจิตเรามีกุศลธรรมอยู่เนี่ยกุศลธรรมข้อใดก็าตามันเป็นภูมิใกล้ๆกับภูมิต้านฐานโรคอ่ะเป็นภูมิธรรมเป็นภูมิรู้เป็นภูมิจิตบางทีก็ยกจิตเหนือระดับจ่างก็เถอะ ไเป็นไรปล่อยเข้าไปตัวอย่างที่ท่านทำเป็นรูปลิงสามตัวเอาไว้คือให้ไม่ไปอ่อนไหวกับอารมณ์ที่กระตุ้นมาจากข้างนอกปิดปากเส้อบ้างปิดตาเส้อบ้างปิดหูเส้อบ้างแล้วท่านผู้หนึ่งท่านเขียนอธิบายไว้ข้างล่าง ว่าปากเป็นปูหูตะกร้าตาตะแกรงปากไม่แพร่งหูไม่อ้าตาไม่เห็นเป็นหลักธรรมนำให้ว่าใจเย็นคนควรเป็นเช่นนี้บ้างในบางคราวความเพียรเนี่ยความเพียรตรงนี้ทรงใช้คำว่าอาตาปีแปล ว, ว่าความเพียรที่เป็นไปทั้งทางกายและทางจิตยอย่างแรงกล้าแปล ว, ว่าความเพียรที่เผากิเลสให้ร้อนแล้วก็ใคล้ๆกันละลายนะฮะคือ พูดในทำนองให้เห็นเป็นอุ ป, ปมาเทียบเคียงมันเหมือนกับสีพึ่งเนี่ยถูกความร้อนมันก็หลอมละลายพวกบรรดาสัพพิกเกเรทั้งหลายเนี่ยถูกถูกไฟคือยานหรือไฟคือปัญญาคือไฟนี่มันใช้บวกก็ได้ใช้ลบก็ได้ก็แล้วแต่นะฮะเราจะเหนว่าใช้ในฐานะปัญญาก็ได้เช่นว่าปัญญาโลกัสมิปโชโตคือใช้ในกรณีมันสว่างอ่ะคือก็จัดมืด ใช่ในกรณีแผดเผาทำลายก็ได้คือเผากิเลสก็ได้ในขณะเดียวกันก็เผาลนจิตใจเราก็ได้แต่ถ้าเผาลนจิตใจเนี่ยจะพูดถึงกิเลสแต่ถ้าเผาทำลายความชั่วเนี่ยจะพูดถึงตัวธรรมะแต่ถ้าพูดถึงแนวสว่างเนี่ยฮะจะพูดในแง่ของอโมหะคือความไม่ลง เพราะตรงนี้จะลืมมาเป็นอุปมาอุปมาก็นํามาเทียบเชียงจะสื่อสารยังไงก็ได้เลยผู้ฟังก็เกิดความเข้าใจเพความเพียรเหนื่อยโดยเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในกรอบของการป้องกันการบําบัดการบํารุงการรักษาก็สิ่งที่เราป้องกันก็คือบาปกุศลทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็ป้องกันไม่เกิดที่เกิดแล้วก็ต้องขจัดออกไป ความทุกข์ที qui د, ่ยังไม่เกิดก็ป <delays theory> ้องกันไม่เกิดความทุกข์ที่เกิดแล้วก็ขจัดออกไปแต่ว่าอย่าลืมว่าความทุกข์มันเป็นผลเราขจัดที่ตัวทุกข์ไม่ได้ละแล้วก็เหมือนกับเราปวดหัวเนี่ยไปแก้ที่หัวไม่ได้หรอกต้องไปแก้ที่สาเหตุมันก็ทํามองใกล้ๆกับความมืดเนี่ยเราแก้ด้วยการไปแก้ที่ตัวความมืดไม่ได้เราต้องไปสร้างแสงสว่างขึ้นแต่แสงสว่างก็ทําหน้าที่ขจัดความมืดเพราะในการบํารุงกับในการรักษาเนี่ย หมายคาวามว่ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็พยาไม่เกิดขึ้นแล้วที่เกิดแล้วก็ต้องรักษาไว้มีตนส่งไปแล้วแลอยู่เนี่ยเป็นลักษณะของปัญญาอยู่หมายคาวามมาตรวจสอบพิจารณามันใกล้ๆกับส่องนําไปคือเวลาเราจะเดิญกรรมฐ า, านยกตัวอย่างจเจริญกรรมฐานกันาา น, นะคือธรรมะสี่ข้อ น, นี้มันมีลักษณะเหมือนกับ มันก็ความหวานข้าวเหนียวแล้วก็กะทิอย่างที่บอกนะคือไปปนกับเข้าทุกแห่งอะ่ะไปอยู่กับเข้าทุกแห่งทีนี้ปัญญาในกรณีที่เราจะใช้เป็นเครื่องสองทางให้แก่ชีวิตนี้เราก็ต้องเพิ่มพูนปริมาณขึ้นแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะสัมผัสผล ยกระดับจิตให้สูงขึ้นแล้วพัฒนาก้าวไปข้างหน้าอาจจะแปลว่าเจ็ดจำนวที่แน่วแน่ก็ได้คือปัญญาเข้ากำกับเพราะว่าจริงๆแล้วสตินี้ก็ต้องสม่ำเสมอกับปัญญานะเราจะเห็นว่าการวินิจฉัยเรื่องราวต่างๆบางครั้งเนี่ยถ้าสติมากเกินไปปัญญาตามไม่ทันเนี่ย มันก็กลายเป็นเรื่องที่ที่ฟุ้งซ่านไปทีนี้ไม่ใช่คือถ้าสติมันขาดนะฮะสติมันขาดเนี่ยกลายเป็นวิปลาสไปถ้าปัญญามันน้อยก็รู้ไม่ชัดเจนถ้าปัญญามันมากสติตามไม่ทนันมันก็เฟื่องไปเพราะคนะนี้จึงประคับประคองกันแล้วก็สิ่งที่เข้ามาประคับประคองก็คือตัวความเพียร เพียรในการป้องกันเพียรในการบำบัดเพียรในการบำรุงเพียรในการรักษาดังกล่าวแต่เวลาปฏิบัติก็ประสานสอดคล้องกันในกรณีของสมถะเนี่ย ส, สติจะนำแล้วก็ปัญญาจะตามความเพียรจะตัวเป็นตัวขับเคลื่อนนำจิตเข้าสู่ความสงบแต่พอเป็นวิปัสสนาเนี่ยมัน จะได้บอกว่าแนววิปัสสนาเนี่ยคือมองว่าอะไรเราคิดยังไงเราเข้าใจในสิ่งเหีนั้นอย่างไรไม่ได้ต้องไปสนใจมันมากหรว่าสิ่งนั้นมันเป็นอะไรคือคนที่มีภูมิธรรมมีสติปัญญาสูงนี่เขาสามารถหาประโยชน์ได้ทั้งนั้นเนยแม้แต่ดินก้อนเดียวแม้แต่ผมเส้นเดียวแม้แต่น้ำลายหยดเดียวท่านก็สามารถหาประโยชน์ได้ทั้งนั้น แต่ที่ทรงสองในให้มองขันห้าเพราะมองรูปประขันเหมือนก็บฟองน้ำมองเวทนาขันเหมือนก็ตอบน้ำมองสัญญาขันเหมือนกับปยับแดดมองสังขารขันเหมือนก็บกอกล้วยมองวิญญาณขันเหมือนกับภาพมายาเลยเห็นว่ามันก็เป็นกระบวนการเลื่อนไหลแตกตับไปตามเหตุปัจจัย เกิดขึ้นนั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นดับไปตั้งอยู่ดับไปก็ฉีบเมื่อทรงทำอย่างนี้เราจะเห็นว่าบางคราวเมื่อสมาธิแก่กล้ามากก็ทำให้พระองค์ได้เห็นแสงสว่างบ้างรูปบ้างดำรงอยู่ได้นานๆแล้วก็ฝึกปือบำเพ็ญเพียรไปโดยลำดับอย่างนี้นี่ก็คือหลักในการต่อมาก็ทรงนามาสอนนามาสอนให้คนอื่นคือสิ่งที่ทรงสอนทรงสัมผัสมาแล้วทงนั้น มันไม่มีปัญหาในว่ามันจะไม่เกิดผลขึ้นมาอย่างที่ทรงแสดงไว้เพียงแต่ว่าจะต้องปฏิบัติในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกันแต่เราก็พูดในระดับของการโดยเสด็จร อ, อยุคนบาทนะฮะก็แย ก, กว่าตาไม่ห่างๆแต่อยู่บนเส้นทางอะไรกันซึ่งก็เราเดินไปบนเส้นทางสายนั้นแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ถึง ก็แน่นอนว่าถ้าเราไม่ออกนอกทางเราไม่หลงหรอกแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยแต่เมื่อปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยเป็นปริยายที่ปรากฏอยู่ในที่ต่างๆเออสืบเนื่องมาจากคือว่าไร้ะยกตัวอย่างปฏิจจสมบัติทั้งในช่วงที่ทรงคิดไว้ก่อนทั้งในช่วงที่ทรงตรัสรู้แล้วก็มาเริ่มแล้วก็ลากมาจนถึงตรัสรู้เลยแต่ตอนนี้ก็ถือว่าไป ไปเก็บตกเก็บตกในแง่ของเหตุการณ์นะฮะหมายความว่าโดยจังหวะแล้วการเวลาเนี่ยมันน่าจะดำเนินไปสู่เจ็ดสัปดาห์ที่ทรงเสวยวิมุติสุกระหมายความมาออกจากตรงนี้ก็ไปอนุมิตเจดีไปรัตนจงกรมเจดีรัตนกระเจดีก็น่าจะไปอย่างนั้นแต่ว่าในแง่ของธรรมะแล้วเนี่ยคือใต้ร่มระพุทธญา ยินได้ว่านํามาสแสดงในช่วงหลังแต่จริงก็เกิดขึ้นตอนนั้นแหละแต่ก็นำมาสแสดงการกิสู่น์ต่างๆในโอกาสต่างๆตามพื้นฐานของท่านเหล่านั้นแล้วโดยเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยค่อนข้างจะลึกซึ้งมากเพราะปริยายที่นําเสนอก็เมื่อชี้แจงประเด็นที่เป็นเนื้อหาแล้วเราก็ลดระดับลงมาระดับที่ก็เรียกว่า สินธรรมจัญญาที่สามารถจะสัมผัสได้ระดับหนึ่งในรูปควงการโดยเสด็จรอยอยู่คนบาทดังกล่าวทุกฝฟังทั้ ง, ง, งหลายแต่โรวงพ่ยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเทาน่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอองามพัยบุญในธรรมเติมมีแด้ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี